พูดให้เสียงเบาหรือว่าเลิกส่งเสียงดังแต่ใจเราตั้งหากที่มันหาเรื่องใจเรามันหาเรื่องคือไปยึดไปจดไปจ อ, อยตรงเสียงนั่นแหละถ้าไม่ฟังมันก็ไม่ลาคาญใจแต่พอไปฟังเขาก็ลาคาญใจก็ต้องแก้ตรงนี้ด้วยเพราะว่าบางครั้งเขาก็ไม่ยอมหลีเสียงดังเราก็ต้องรู้จักแก้ทุกของเราด้วยตัวเราเองที่ติด ท, ที่ใจของเรา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 แต่หมายถึงว่าทำให้มีทุกน้อยลงมีสติปัญญามีกุศลธรรมมากขึ้นอันนี้หลวงพ่อคำเขียเรียกว่าเป็นผู้ฉวยโอกาสต้องรู้จักฉวยโอกาสอะไรที่เกิดขึ้นกับเราต้องฉวยโอกาสให้เป็นประโยชน์แม้แต่ความโกรธแม้แต่ความเศร้านะมันก็มีประโยชน์เพียงแค่เรารู้ว่ามันเกิดขึ้นที่ใจอันนี้สติเราก็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 จะเป็นนึกว่าโอทํางานแล้วไม่ได้ปฏิบัติธรรมอันนั้นเรียว่าไม่ใช่ผู้โโอกาสผู้โชโอกาสนี้ทําแล้วก็ตามปฏิบัติธรรมได้หมดแม้แต่เดินบินธบาดเดินกลับกุฏินะมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมได้ไม่ใช่แค่พาตัวถึงบ้านถึงกุฏิอย่างเดียวแต่ว่าพาใจเข้ากายนิพพานพาใจให้เข้าถึงสติเข้าถึงธรรมะด้วย2 อ, อย่างไปด้วยกันได้ไม่ใช่ว่าต้องทําทีไรอย่างทีลรอย่าง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 บางทีเขาไปยึดในอารมณ์ที่มันเกิดเช่นเจในความโศกความเศร้าความแค้นความอาลัยพอไปยึดแต่ละอย่างแต่ละอย่างไม่ว่าภาษาเวทนาหรือว่าอารมณ์นี่นก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นเวลาของหายเวลาของรักของห่วงมันเสียไปบ้านเสียรถเสีย น, น, นี้แสดงว่าสอบตกแล้วอา้าวพยายามใหม่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 หนาวก็ดีเหมือนกันคือนอนไปก็หนาวเป่าเปล่ า, ล, าลุกขึ้นมาปฏิบัติธรรมเดินจงกรมจะได้หายหนาวอย่างหลวงพ่อคําเขียนท่วงหน้าหนาว น, นี่สมัยเทตมามาอยู่ใหม่ๆก็อยู่มาหลายปีอ่ะหน้าหนาว น, นี่ตอนเช้าจะไปหยิบจอบจิตเสียมมามาทำอะไรมาขุดดินแล้หนาว น, น, นี่ขุดดินนี่โอ้ดีนักหลวงพ่อบอกเรียกว่าใช้ความหนาวเป็นประโยชน์ปฏิบัติธรรมได้ดีเหงื่อไม่ค่อยออกเลย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 เาทุบตีคือท่านมองนะมองว่ามันมีข้อดีอยู่เขาด่าก็ดีกว่าเขาทุบตีแล้วถ้าเขาทุบตีล่ะจะว่าอย่างไรเขาทุบตีก็ดีเขาเอาก้อนหินมาคว้างแล้วเขาาก็นหินมาคว้างล่ะทำอย่างไรจะว่าอย่างไรเขาาก็อหินมาคว้างก็ดีกว่าเขาเอาไม้มาฟาดแล้วเขาเอาไม้มาฟาดล่ะจะว่าอย่างไรเขาเอาไม้มาฟาดก็ดีกว่าเขามีดมาแทง พระพุทธเจ้าก็ถามต่อไปว่าแล้วเขาเอามีดมาแทงจะว่าอย่างไรเอามีดมาแทงก็ติอว่าฆ่าให้ตายทีนี้พระเจ้าก็เลยถามคําถามสุดท้ายว่าถ้าเขาเอามีดมาฆ่าให้ตายท่านจะว่าอย่างไรพระคุณน้าก็ตอบว่าคนบางคนอยากตายนี่ต้องไปหาหมีดมาทําร้ายตัวเองหรือต้องไปจ้างคนอื่นมาทําร้ายมาฆ่าแต่นี่ครับพระองค์นี่ไม่ต้องทําเลยมีคนมาทําให้เรียบร้อยน่ะ พระจ้าก็เลยสรรเสริญก็นุ ญ, ญาตให้พระปุณณนะไปเมืองสุนับปันตะได้บอกก็ว่าเรียบร้อยนะสามารถที่จะแสดงธรรมให้ชาสุนับปันตะอยู่ในศีลในธรรมได้ที่นี่เรียกว่าคือไม่กลัวไม่กลัวเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นอย่างน้อยมันก็ดีที่ไม่แย่ไปกว่านั้นนะของหายก็มองสักหน่อยนะว่าเออมันดีที่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 เป็นปรนในทางธรรมก็คือเข้ามาสอนให้เรารู้จักปล่อยรู้จักวางนะเรายังทุกข์อยู่เพราะเรายังไม่รู้จักปล่อยรู้จักวางก็เลยต้องทุกข์อยูธรรอ่ธรรมชาติเข้ามาสอนเราธรรมชาติก็มาทดสอบเราธรรมชาติจะทดสอบอยู่ตลอดเวลาคนที่ยังยึดอยู่ก็จะต้องเจอธรรมชาติมาทดสอบอยู่บ่อยๆแต่คนที่รู้จักปล่อยรู้จักวางแล้วนะธรรมชาติก็ ทดสอบบางเป็นครั้งเป็นคราวเพื่อฝึกให้ฉลาดมากขึ้นอันนี้ก็ต้องฝึกเด้อดูใจให้ดีนะทุกทุกครั้งเวลาทุกเมื่อเกิดความพัดภาคสูญเสียอย่าไปโทษคนน้นคนนี้มากเกินไปโทษได้บ้างนะคนมาขโมยก็โทษได้บ้างว่าพวกขโมยนี่มันไม่ดีแต่อย่าไปโทษเสียหมดเนื้อหมดตัวต้องดูใจของเราด้วยว่า